Ram Saran Garicha. เดิมตอนที่แล้วการุทายีได้เป็นอามาตแทนอุทายีที่เริ่มชราและเตรียมปารรับเสด็จเจ้าชายสิทธาที่มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรความเป็นไปในกรุงกัพิลพั์เจ้าหญิงยโสธราทูลพระสวามีว่าทรงขันแต่เจ้าชายไม่แน่พระไทยว่าจะทรงรีพระไทยดีหรือไม่และยังเสด็จออกไปเลียบเมืองตามหมายกําหนดการเดิมที่เตรียมไว้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ขอเชิญเด็บามรับฟังละครมหิยุรื่อเพราะพุทธเจ้ามหาบุรุษแห่งชมโูทวีตอนที่สิได้นักบัณนีเจ้าชายสิทธทัตถะเสด็จแล้วพวกเราพวกเจ้ากูเล่นดนตรีสี่พวกข้าจะได้เต้นระบามรำฟ้อนเดี๋ยวนี้ ท้องไปแน่สิเจ้าค่ะชาวเมืองขันสารเลยกันใหญ่แล้วแต่เรากลับรู้สึกแปลกใจนะันนะทำไมชายหญิงแห่งกรุงกบิลพัทจึงมีแต่ดารุณและดารุณียาวไวเราจำได้ว่าครั้งที่ตามเสร็จพ่อไปดูคนทำนาถึงจะไม่มีคนชราก็ยังเห็นชายชกันและหญิงสาวใหญ่ว่าย่างไรล่ะท่านกายา่ยไท้ทำมเรียมาแต่งลุงสาวไวเท่านี้ เหมือนทุกคนจะรู้ล่วงหน้าว่าเราจะมาด้วยหรือนี่จึงทําความเคารพได้พร้อมเพรียงกันอย่างนี้ชนนะเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเออหม่อมชันคงต้องถามการุธายีว่าเจ้าค่ะ ว, ว, ว่ายังไงล่ะการุธายีชาวเมืองของเราเนี่ยไม่มีอะไรทำนอกจากร้องเล่นเต้นระบํากันหรือไงแสดงว่า ทุกคนล้วนมีแต่ความสุขหันษาเพราะอยู่ใต้พระบารมีขององค์เหนือหัวพระเจ้าค่ะเราคิดว่าอยากจะกลับแล้วละ่ะแต่พระองค์เพิ่งเสด็จมานะพระเจ้าค่ะยังไม่กลาจะพาตำหนักตัดเท่าเลยเอาเป็นว่าเราไม่อยากไปไหนก็แล้วกันให้หันขบวนกลับไปตำหนักพระชายารับ้วยกล้าวพระเจ้าค่ะ เห็นไหมประช บ, บดีในที่สุดสิทธาถาก็มีความห่วงเมียหวงลูกจงได้แต่หม่อมฉันยังไม่แน่ใจเพคะลูกเราเป็นคนฉลาดอาจดูออกว่าการุธายีตเตรียมการต้อนรับเหมือนผักชีลอยหนะ้าต้องดูว่าคืนนี้จะค้างแรมกับพิมพาไหมถ้าไม่ประทับที่ตำหนักของพระชายาจะทรงมีพระราชบัญชาให้ข้าพุทธเจ้าทาอย่างไรต่อไปพระเจ้าคะ่ะ นี่เป็นคิมหันตอรโดเมียกาศร้อนอบมากศิทธธรรมนาจาพมนักที่โรมายาประสาทเจ้าหาดาลุนีที่เฉลียวฉลาดในเชิงเล่เสน่หาให้หนุน่มน้อยห่มน้อยไปปฏิบัติพัดวีลูกชายของขา้าเื่อว่าน้ำมันกับไฟพออยู่ใกล้แล้วจะลุกติดขึ้นมาข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามพระราชบัญชาพระเจ้าค่ะดีมากเจ้าบัจช ก, การใต้ดาวการุทะย์รับด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะ กาลุทายีออกไปตามรับสั่งของเสด็จพี่แล้วนับว่าเราโชคยิ่งดีที่ยังมีคนที่วางใจได้คอยรับใช้นะเพคะนั่นสินะน้องหญิงประชากรีเราร่วมมือร่วมใจใช้หลายคนหลายความคิดอย่างนี้สิท ธ, ธิาคนเดียวความคิดเดียวไม่น่าจะพ้นเงื้อมือแห่งความรักของพวกเราไปได้ พระท่านอามาตยาลุทายีพวกเรากลับมาแล้วเจ้าค่ะเจ้าไปสืบความที่ตำหนักพระชายาได้เรื่องยังไงมาบ้างละ่ะเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้ประทับค้างแรมกับพระชายาพิมพาจริงอย่างที่ท่านคาดไว้เจ้าค่ะแต่เสด็จไปประทับที่รมยมย์ประสาทเพราะอากาศเย็นสบายเพราะที่นั่นเป็นปราสาทที่สร้างไว้สําหรับพิมพ์หันตารืดูพวกเจ้าคงจะรู้นะว่าควรจะทํายังไงกันต่อไปเจ้าค่ะ ท่านกรุธายีข้าจะคุมพวกนางรำไปจับระบำถวายเลือกใช้แต่ท่าเต้นที่ยั่วยวนชวนให้เกิดกำหนัดจนอดใจไว้ไม่ไหวเจ้าค่ะ ส่วนข้าจะให้สาวงามนำอัลซูราเมรัยและอาหารที่บารุงกําลังเข้าไปถวายจนถึงพระโอษฐ์ของเจ้าชายเลยเจ้าค่ะส่วนข้ากับเหล่าดารุณีที่ช่างเจรจาก็จะใช้วิชาหัตถเวทเขานวดเคล้นคลึงเคล้าให้เจ้าชายทรงได้รับความสำราญประทายและเกิดความหลงไหลหรือปัทนาจนลืมบรรเวลาที่ผ่านไปเลยเจ้าค่ะ หวังว่าพวกเจ้าจะทำตามที่โอกหวัดกับข้าได้นะถ้าใครโชคดีได้รับการเชลยชมอาจดำรงตำแหน่งถึงขั้นพระสนมเชียวนะจะบอกให้เอาล่ะไปกันได้แล้วห่ะเใ้่ค่ะ ตออเต้นอยู่กันเถอะเลิกเต้นเสียทีไม่ปรวดเพลงนี้เลอเพคะหม่อมฉันจะได้เขาบรรเลงเพลงใหม่นักดนตรีไม่ต้องบรรเลงเพลงอะไรทั้งนั้นพวกเจ้าก็ไม่ต้องเต้นเหมือนกันเพราะมันดูเหมือนเหล่ากี่มิชาติหรือนอนที่กําลังเริงรา่าเพราะคุกอาจมซะมากกว่าหรือว่าจะให้หม่อมฉันเปลี่ยนนางลามชุดใหม่ชุดไหนก็ไม่ต้องเอามาข้าไม่อยากฟังเสียงเอะอะหรือมองเห็นความวุ่นวาย พวกเจ้าออกไปได้แล้วพวกหม่อมฉันนำพระกายอาหารลดเล่นมาถวายเพคะเราไม่หิวเพราะกินมาแล้วกับพระชายาแล้วนี่ก็เลยเวลาอาหารมานานเต็มทีเราคิดว่าบางทีมื้อเย็นไม่จาเป็นด้วยซ้าไปเพราะร่างกายไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอาหารมืน้นี้นอกจากจะเก็บสะสมไว้ที่ท้องจนพองอ้วนออกมาพวกเจ้านำออกไปดีกว่า นี่เป็นคำสั่งของข้าเพคะแต่ก่อนจะออกไปไหนๆพวกหม่อมฉันก็ตั้งใจนำมาถวายขอให้เจ้าชายเห็นแก่มหม่อมฉันสวยน้ำจารสักจอกนะเพคะอจอกเดียวเองแล้วเดี๋ยวหม่อมฉันจะไม่เสาร์ีนะนี่เพคะหม่อมฉันรินถวายนะเพคะนางกำนันรูปงามรรนตุราใส่จอบทองคํา แล้วยื่นมาตรงหน้าศบตาวาววอนด้วยในตาหวานฉ่ำทำให้บุรุษทั่วไปย่อมดื่มด่ำกับน้ำอมฤตนี้เรารู้ดีว่าถ้าใจอ่อนตามคำวอนเมื่อใดดื่มจอกแรกเมื่อไรก็ไม่มีทางพ้นไปจากจอกที่สองสามสี่และหนีความมัวเมาไม่พ้นไปได้ เสวยเถอพี่คะเพื่อหม่องฉันเพียงจอกเดียวเท่านั้นข้าไม่ดื่มสุรามีไรพวกเจ้านำมันออกไปเดี๋ยวนี้ไปสิ มังฑ์คมเพคะพวกเจ้าเข้ามาทําไมกันอีกล่ะพวกหม่อมฉันได้รับพระราชบัญชาจากองค์เหนือหัวและโดยคําสั่งของท่านอํามาตย์กาลุทายีให้มาถวายการปณิบัติพัทวีและถวายการนวดให้เจ้าชายเพคะเราไม่รู้สึกเมื่อยขบอะไรจนต้องมีคนนวดให้แล้วเหตุใดพวกเจ้าทั้งหลายจึงมีผ้าผ่านกายเพียงน้อยนิดเช่นนี้จนแทบจะเปลือยกายกันอยู่แล้วนะเนี่ย เพราะเวลานี้เป็นคีมผ่านตาะดูอากาศร้อนอบอ้าวเพคะพวกหม่อมฉันจึงต้องสวมเสื้อผ้าที่เบาบางและน้อยชิ้นเพื่อความสบายกายเพคะสบายกายพวกเจ้าแต่อุดจาตาเราเหมือนแวดลอ้อมด้วยนางโสเพณีทั้งหลา ย, ยที่ไม่ได้มีความระยเราไม่อยากมองให้เสียสายตายพวกเจ้าออกไปกันดีกว่าแต่ถ้าหม่อมฉันออกไปโดยไม่ได้ถวายการปฏิบัติรับใช้ ก็อาจาจะมีความผิดและถูกลงทันได้เพคะจริงเพคะงั้นก็ไม่ต้องออกไ ป, ปแต่ข้ากรุณาเพคะแต่ข้าจะเป็นฝ่ายไปเองอ้าอ้าาทำไมมันเช่นนี้ไปได้เจ้าชายสิทธัตถ ะ, ะเสด็จออกไปโดยไม่สนพระไทยพวกเราเลยแม้แต่น้อย หรือน้อยปะไทยไปเลยในค้าพระชายาพระสวามีของพระองค์มิได้ทรงหาความสําราญกับนางกํานันหรือหญิงคนไหนแต่เสด็จไปประทับอยู่องค์เดียวเท่านั้นนั่นกลับยิ่งทําให้เราหวั่นใจมากกว่านะเกษณีเสด็จพี่โปรดการประทับพระองค์เดียวมากเท่าใดย่อมใกล้กับความเป็นนักบวชมากไปขึ้นทุกทีแต่ในวังรับประตําหนักยังอบอว่นไปได้วยความสุขสบาย ด้วยความรักมากมายอย่างนี้เจ้าชายจะทรงหลีกหนีไปค้นได้หรือเพคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราสงสยัยเสด็จพี่สิทธัตถะกาลังทรงค้นหาคำตอบในเรื่องใดจะพอจะรู้ไหมว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ที่เราจะคลอดบุตรหรือทิดาพระชายาทรงคันมานับได้อัตมาศหรือว่า8ดเดือนแล้วก็เหลือเพียงอีกเดือนเดียวเท่านั้นล่ะเพคะเหลือเวลาอีกเดือนเดียวเท่านั้น จะนับว่ายาวก็ยาวจะนับวสั้นก็สั้นเดือนเดียวอาจมาถึงพลานในพริบตาหรืออาจจะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นมาในเวลาแค่เดือนเดียวนี้ก็ได้ ชันนะชันนะพระเจ้าค่ะมีรับสั่งเรียกผอมชั้นก็อยู่กันแค่นี้เราไม่เรียกเจ้าเราจะเรียกใครดีแต่พระองค์ไม่มีพาดํารัดกับผอมชั้นหรือใครๆมาหลายวันแล้วนะพระเจ้าค่ะเพราะเรากําลังใช้ความคิดนะสิพูดกับเจ้าก็มักจะมีแต่เรื่องเหลวไหลแทบไม่มีแก่นสารอะไรเช่นเดียวกับการุทายีที่มักจะพร่ำเพรอถึงความสุขที่ได้จากสตรีทั้งหลายผอมฉั้นเห็นว่าเป็นธรรมดาของชาย ก็มาร์คสันทนานเรื่องผู้หญิงพระเจ้าค่ะและเราไม่ใช่ชายจริงหรืออย่างไรเราคิดถึงชาวกบิลพัททั้งหลายคิดห่วงชนชาวโลกอีกมากมายคิดถึงแม้ในโลกนี้และโลกหน้าแสดงว่าทรงพร้อมจะเป็นพระราชาหรือมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วพระเจ้าค่ะราชาหรือกษัตริย์จะห่วงแต่ประชาชนในเมืองของตนเองเท่านั้นชนนะไม่เคยมีราชาองค์ไหนจะห่วงใหญ่หรือแก้ไขปัญหาคนทั้งโลกได้แล้วจะทรงเป็นอะไรดีหรือพระเจ้าค่ะ นั่นนะสิเราจะเป็นอะไรดีแต่การนั่งอยู่ตรงนี้ก็คงหาคําตอบไม่ได้เรากําลังคิดจะออกไปในเมืองอีกสักคนเพื่อได้พบเห็นผู้คนได้รับรู้ถึงปัญหาหม่อมฉันจะไปแจ้งแก่อมาตย์กรุไทยให้เตรียมการเสด็จพระเจ้าค่ะไม่ต้องไปบอกใครทรงเปลี่ยนพระทยัยไม่เสด็จออกไปไหนแล้วหรือพระเจ้าค่ะเมื่อเราตัดสินใจจะทําทสิ่งใดเราก็จะทําสิ่งนั้นไม่มีวันเปลี่ยนใจง่ายๆแล้วเราจะเข้าไปในเมืองกระบิลพัฒน์ เพื่อไปเห็นทุกอย่างด้วยตาของเราไปเห็นความจริงไม่ใช่เห็นสิ่งที่การุธายีหรือใครเป็นคนจัดแต่งให้เราเห็น ตกลงพระองค์ก็เลยต้องปลอมพระวรากายเป็นมหาหัเล็กสเสด็จออกมาเพื่อไม่ให้ใครจำได้หรือพระเจ้าค่ะถ้าจะมีใครรู้ก็เพราะปากที่อยู่ไปสุด ข, ของเจ้านีแหละช น, นะแต่หม่อมฉันเอ้ยข้าก็ยังจำเจ้าได้อยู่ดีนะน้องชายแม้จะเอาเสื้อผ้าของมหาหัตเล็กมาสวมใส่ไว้แต่โบราณว่าถึงเอาหนังหมามาคุมร่างพญาราชสีก็ยังมีสากสง่าแห่งสีหราผูอัดองอยู่ดี อยู่เดี๋ยนี้เจ้าสองคนจ อ, อกไปไหนนี่ค่าช น, นะนายอสวบานหลวงเ จ, จ้าจำไม่ได้หรือไงไนายประตูอ๋อที่แท้ก็พี่ันะนันเองนึกว่าใครที่ไหนและพี่ชายทานนี้ล่ะนี่เป็นมหาดเล็กเด็กใหม่จะออกไปเยี่ยมมันดาที่ป่วยข้าก็เลยขอตามไปด้วยนะ่ะอืมงั้นก็เชิญตามสบายเลยพี่ช น, นะรีบกลับเข้ามาก่อนที่ข้าจะออกเวรในเวลาเย็นวันนี้ล่ะ ทำไงงนจะเข้าข้างในไม่ได้ขอบใจมากน้องชายข้ากับสหายขอตัวไปก่อนละเจ้ายาประตูมันมีตาไว้ดูอะไรถึงกับจำเจ้าชายไม่ได้เพราะคนเรามักจะมองอะไรแค่เปลือกนอกแต่ไม่พินิษพิจารณาถึงเนื้อในยังไงละ่ะชันนะยังไม่ทันจะไปถึงไหนผมชั้นก็รู้สึกว่าได้ข้อคิดที่ลึกซึ้งถึงใจแล้วพระเจ้าค่ะ ถึงใจแล้วพี่ชายเจ้าอาจจะได้อะไรมากกว่านี้เพราะข้ารู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่แปลกหูแปลกตาเอาไปวันนี้ไม่มีหนุ่มสาวรุ่นดรุนดรุนิมาร้องรำทำดนตรีเหมือนคราวก่อนหรือเป็นเพราะอากาศมันร้อนหรือเป็นเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราจะมาท่ากนกระลุยคงจะทูลตอบได้เอ๊ะ เราได้ยินเหมือนใครร้องคร่ำควรวญดังมาจากบ้านนั้นแต่หม่อมฉันเอ้ยข่าวประดิษฐ์อะไรลองเดินเข้าไปใกล้ๆสิเป็นเสียงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนจะทําเรื่องเกน้องหรืข่าวนี้ฉันนะไปเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะอไปเดี๋ยวนี้กับพี่ชา ย, อ, ย, าายอ๋อใจตาขาดแล้วก็จะตายไม่นีหรอกเผ็ดทใจดีๆเอาไว้ท้องแรกมันบอกคลอดอยากอย่างนี้แหละ ไม่มีอะไรต่อลัวหรอกนะว่ายังไงช น, นะจะได้ยินชัดเจนแล้วใช่ไหมเสียงหญิงร้องเสียงดังเหมือนมีใครทำร้ายไม่มีเหตุอันตรายอะไรหรอกพี่ชายนี่เป็นเรื่องธรรมชาติของหญิงมีคันครบกำหนดคลอดกำลังจะให้บังเกิดบุตรของนางนะ่ะแล้วการเกิดจะทำให้แม่ต้องเจ็บปวดด้วยเหรอนี่เอ๊ะนั่นผีหรือปีศาจอะไรที่ไหนนั่นยังไง หญิงที่หน้าตาเหี่ยวย่นผมสีขาวทั้งหัวเนื้อตัวก็ดูเป็นริ้วรอยเป็นเส้นสายหลังก็งองุม้มงกเงินเงนอ๋อนั่นเรียกว่าคนแก่ธรรมาดาไม่ว่าใครๆมีอายุมากเมื่อไหร่ก็จะเป็นเช่นนี้แม้แต่เสด็จพ่อเสด็จแม่หรือแม้แต่เราด้วยหรือนี่ทุกคนเกิดด้วยความลำบากทุกยากอย่างนี้เ ต, ติบโตเป็นดรุนดรุณีแล้วก็แก่ชรา ทำไมข้าไม่เคยรู้เรื่องนี้ the c h d แสดงสัจพฤษศรีหามเมธีปันทรัตน์พลเกียรติบุรชสนสค์ศรีสริยาพรวรการเจริญดีเปรมกมลโชติกาสเสถียนธานิตศ ร, รีสินรัตน์เกณฑิณิเรื่องศรีสุพิศราพัฒเจริญพิทยารัก์สุทธิพัฒ์อ่อนปรางจรุพัฒน์เวตรัตน์โชติกาเสเวตรัตน์อ่อนวีนาเจริญพิทยารักษนัทธพงศ์มัฒนบุญญาบันทึกเสียงวรการเจริญดีกำกับการแสดง สัจพฤสีหเมธีอํานวยการผลิต